แล้วที่สำคัญคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับความพนทุกข์อย่างการออกรู้ออกเห็นภายนอกนะสนุกนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับความพนทุกข์เลยมันต้องมาย้อนกลับเข้ามาทวนกลับเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองให้ได้โอปาัายโกน้อมกลับเข้ามาหาตัวเองให้ได้ตอนเด็กๆไม่รู้หลักนะก็ใช้หายใจเอาให้จิตไปจับอยู่ที่ลมถ้าจิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมามนก็ขมนวอนไป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 ถานิวรณ์ตัวใดปรากฏขึ้นกัจิตมีสติรู้ทันมันขาดสะบั้นทันดีเลยเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์จิตจะเป็นอะไรจิตจะมีสมาธิอัตโนมัติเลยนี่เป็นวิธีทําสมาธิของคนที่ดูจิตชํานาญนะบางคนนึกว่าดูจิตแล้วทําสมาธิไม่เป็นก็เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยหลวงพ่อยังเคยเข้าใจผิดเลยหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กไปเจอหลวงปู่ดุลย์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 ถ้ต่อเข้าดูจิตได้นะขึ้นพรวดขึ้นฌานที่8ได้เลยเพราะว่าลำพังการดูตัวจิตตรงๆนะจะเป็นฌานที่6กนฌะานที่6วิญญาณอัญจายตนะนะดูแล้วก็เพิกวิญญาณออกก็จะเป็นอากินจัญญายาตนะพอนะเพิกล้ใจมันไม่มีอะไรจับที่หยาบๆนะสัญญาจะคลายตัวออกเนะหลือมีสัญญาก็เหมือนไม่มีมีอยู่นิดเดียวเป็นเนวสัญญาณนะสัญญายตนะ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 เพราะว่ามันมันไม่มีความสุขนะนี่จะซ้อนจนกระทั่งเบียนหัวเลยถ้าซ้อนถี่มากๆนะวับับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวัไวับวับ่ับวับวับวับวับวับวับวคบวับวับวับวับวับวับีัยวับวับวับวับวับวัีวับญญนน ด, ด, ด, นะดับวยยัับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวับวัวับวับวับวัยวับวัี่ันวับวับวับวับานนับวูบวับวับวับวับวาบวนะับวับวับวับาับวับวั เม pues ื่อกี้จิตไปจับอยู่ที่ความว่างก็รู้ทันจิตมาจับอยู่ที่จิตก็รู้ทันการที่จิตจับความว่างก็เป็นภาระการที่จิตจับอยู่ที่จิตก็เป็นภาระก็ไม่จับทั้งจิตและความว่างเมื่อไม่จับทั้งจิตและความว่างใจจะโปร่งยิ่งกว่าเก่าอีกมีความสุขความสบายแบบประณีตมากเลยตัวนี้จิตเข้าไปสู่ความว่างที่ใหญ่กว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญายตนะ จิตจะเข้าสู่อากินจัญญายตนะเมื่อจิตเข้าสู่อากินจัญญายตนะแล้วสัญญาจะค่อยอ่อนกําลังลงตังอากินจัญญายตนะเนี่ยถ้าเราจะเข้าน andan, ิโรธสมบัตินะ nah, จะเข้าจากอากินจัญญายตนะนี่นะจะกําหนดจิตในอากินจัญญายตนะนี่แหละแล้วก็ให้ข้านิโรธแล้วก็ปล่อยจิตให้ผ่านเนวสัญญาไปแล้วมันจะเข้านิโรธไปเองอันเนี้ยในตํารามีหมดเลยนะพวกเนี้ย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 แค่ชำนาญในการดูจิตเนี่ยจะได้ไล่ไล่ ไ, ลไล่ไปเจริญปัญญาได้ใน 1-7 ขึ้นคือในวาสัญญาเนี่ยไม่มีกำลังพอจิตไม่มีพลังพอนี่หลวพอสอนไป2แบบแ้วนะวิธีเจริญปัญญาของพวกดูจิตหนึ่งทำสมาธิออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาถ้าสมาธิลึกมากมาดูกายก่อนมาดูเวทนาไปเห็นกายเห็นเวทนานะจิตเป็นคนดูอย่างี้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 แต่ผีมันไม่อยู่แล้วล่ะผีมันเบื่อแล้ว <_ an> งั้นสู้ไม่ได้ถอยไว้ก่อนแต่ถอยต้องมีชั้นเชิงอย่าให้สติแตกเดี๋ยวบ้าไปเลยนะเ <_ an> ช่นเราอยู่กับคนเนี้ยเกลียดอยู่ไม่ไหวแล้วนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทนเอานะอย่างยายฉีนี่แหละยังเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทนเอาะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้ามันไม่รุนแรงมากนะสู้เพยายามสู้